ในอัตถกธาถาแห่งชนะวสพสูตรได้กล่าวว่าเทวสันนิบาตมีในสมัยเข้าบรรษาของพระสงฆ์เพื่อพิจารณาสงเคราะห์พระสงฆ์เข้าพรรษามีในสมัยปวรารณาออกบรรษาเพื่อสงเคราะห์ในคราวนั้นมีในสมัยที่จะฟังธรรมมีในสมัยที่จะเล่นกีฬาข่าวต้นไม้ทิพปาริชาตะกะออกดอกเทวสันนิบาตในสมัยเข้าบรรษานั้น ตั้งแต่วันอาสารหัปุชาส่วนเทวสนิบาตเพื่อฟังธรรมนั้นคงสุดแต่ว่าจะมีการแสดงธรรมเมื่อไรได้มีเล่าไว้ในที่หลายแห่งว่าในชุมนุมเทพณเทวสภาสุธรรมมาในบางคราวพระอินทร์ทรงแสดงธรรมแก่เทพตั้งปวงในบางคราวพระพรหมลงมาแสดงและเทพผู้มาเข้าสนิบาตนั้นเป็นเทพในสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราชิกา ในเมืองไทยเราเมื่อพระจะสวดพระปริภก็มีกล่าวบทสักเคชุมนุมเทวดาเพื่อมาฟังธรรมคือมาฟังสวดมนต์ซึ่งเป็นการสวดบทพระธรรมนั่นเองใช้เป็นประเพณีทั้งในงานหลวงงานราดคุ้นเคยจนถึงไม่คิดวิจารณ์กันและก็ว่าเป็นภาษาบาลีฟังกันไม่ออกแต่เทวดาจะฟังออกหรือไม่หาได้คำนึงถึงกันไหมหากรู้ถึงจิตใจได้โดยตรง ก็ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาอาราธนาธรรมจะกล่าวถึงพระพรมองค์หนึ่งชื่อสหมวดีพรมได้มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายเรื่องตั้งแต่ต้นพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงปราบรถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นสภาพลุ่มลึกยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้ ทรงพระดำริจะไม่ทรงขวนขวายเพื่อสั่งสอนท่านว่าสะหมบดีพรมทราบ พ, พระดำริได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาขอให้ทรงแสดงธรรมเพราะหมู่สัตว์ที่สามารถจะฟังรู้ได้มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องของบทอาราธนาธรรมที่ใช้กันในเมืองไทยว่าพรห ม, มาจาโรกาธิปตีสหัมปติเป็นต้นซึ่งมีคาแปลว่าสหมบดีพรม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกพนมหะทูลขอพอรว่าหมูสัตว์ในโลกนี้ที่มีฝุ่นทุลีในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่ขอพระสุคตได้โปรโดอนุเคราะห์ประชานิกรนี้แสดงธรรมบทอาราธนาธรรมนี้ก็มีความเล่าถึงประวัติพระพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมดังนี้เท่านั้นแต่ก็ได้นามาใช้เป็นบทอาราธนาให้ประเทศทั่วไป ในเมืองไทยมีนิยมถือเป็นประเพณีว่าต้องอาราธนาก่อนพระจึงจะให้สารณคมและศีลสวดพระปรริษ์แสดงพระธรรมเทศนาแสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่บังคับฝืนใจให้ใครนับถือปฏิบัติใครมีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์สารณคมและศีลก็ดีพระบรริษฐก็ดีธรรมเทศนาก็ดีก็ต้องมาอาราธนายังไม่อาราธนา พระก็ยังไม่ให้ไม่แสดงเวลาทําพิธีก็เป็นการสะดวกเพราะการอาราธนาก็หมายความว่าเริ่มพิธีขึ้นแล้วได้เตรียมการต่างๆเสร็จพร้อมที่จะรับศีลกันได้และได้ถือเป็นประเพณีอีกว่าก่อนที่จะทํากุศลอะไรขอสรณคมและศีลกันก่อนเสมอเป็นประเพณีดีอยู่เพราะจักนําให้เข้าหาพระรัตนตรัยและศีลก่อน แต่ก็มักถือเป็นศักิ์แต่ว่าทำไปเป็นพิธีเสียโดยมากคือไม่ได้คิดรับจริงถ้าอย่างนี้ก็ได้เพียงเปลือกคือพิธีเท่านั้นผู้ที่ตั้งใจรับจริงนั่นแหละจึงจะเข้าถึงสาระของพิธีได้ประโยชน์จากประเพณีที่ดีอยู่แลวนี้เป็นอันว่าคนไทยเราได้ออกชื่อสหบดีพรมกันอยู่บ่อยๆเป็นที่รู้จักกันมากอย่างกว้างขวางคลายพระอินทร์ในหมู่เทวดา พระอินรู้จักกันมากกว่าองค์อื่นในหมู่พรมก็เท้าวสหมบดีพรมองค์นี้ทั้งได้ออกชื่อถึงมากกว่าองค์อื่นทั้งหมดทรงขับภิกษุสงฆ์สหมบดีพรมยังได้มาทูลพระพุทธเจา้าขอให้ทรงอนุเคราะห์สมดังที่มีเล่าในขันธสังยุตว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจา้าประทับอยู่ที่นิโครท า, ารามใกล้กรุงกบิลพัท ทรงประนามพิสุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่างเล่าไว้ในอัตถกถาว่าเมื่อเสด็จจากจากนครสาวัตถีถึงนครกบิ่ละพัดเจ้าสักยะทั้งหลายรับเสด็จและกระททูลเชิญเสด็จไปประทับที่นิคโครธารามเมื่อเสด็จถึงอารามนั้นแล้วก็ได้เสด็จเข้าสู่ที่ประทับทรงทําปฏิสันถานกับเจ้าสักยะทั้งปวงที่ตามไปส่งถึงที่ประทับขณะนั้นพวกพิสุที่ตามเสด็จ พากันจัดที่พักและรับแจกทานวัตถุต่างๆที่เขาจัดถวายเป็นเครื่องต้อนรับก็มีเสียงพูดเรียกพูดถามกันอยู่อื้อองพระพุทธเจ้าไม่โปรดเสียงดังอื้อองตรัสถามทราบเรื่องแล้วจึงทรงประนามภิกษุ ส, ษสงฆ์ประนามก็คือขับออกไปตามเรื่องต่อไปกล่าวว่าได้เสด็จในที่เร้นทรงพระดำริอยู่พระองค์เดียว คำว่าพระนามในที่นี้สังเกตตามท้องเรื่องว่าน่าจะเพียงรับสั่งให้ไปบอกทํานองว่าออกไปให้พ้นอย่ามาเอะอะอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่แด้หมายถึงว่าขับไล่เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบินท บ, บาทในกรุงกบิลพัทเสด็จกลับจากบินท บ, บาทหลังจากเสวยแล้วได้เสด็จไปยังป่ามหาวันประทับพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มต้นหนึ่ง เกิดพระดาริขึ้นในพระหฤทัยว่าทรงขับพิกสุสงแต่ในภพิสุสงนี้ยังมีพวกพิสุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เมื่อไม่ได้เห็นพระองค์ก็จะพึงรวนเรกระสับ ก, กระสายเหมือนอย่างลูกโคอ่อนไม่ได้เห็นแม่โคก็วุ่นวายกระสับ ก, กระสายหรือเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่ไม่ได้น้ำก็เหี่ยวแห้งงอยเหงาจึงน่าที่จะทรงอนุเคราะห์ภิสุสงในบัดนี้ เหมือนอย่างที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนสหัมบดีพรมได้ทราบพระดรํารฤิ์ในขณะนั้นได้มาปรากฏเบื้องหน้าพระองค์หมผ้าเจวงบาประคองอัญชลีคราบทูลมีความวาขอให้ทรงอนุเคราะห์สงเหมือนอย่างที่ทรงพระดําริ์ในตอนท้ายนั้นเถิดเพราะในสงนี้ก็ยังมีพิสุปใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เต็มที่เหมือนอย่างลูกโคอ่อนหวังพึ่งแม่โค เหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งน้ําฉะนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอภิญันพิกษุสงฆ์ทรงโอวาทอนุสาตพิสุสงฆ์เหมือนอย่างที่ได้เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนเธอพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุสณีภาพสามบดีพรมทราบว่าพระองค์ทรงรับอาราธนาว่าจะทรงอนุเคราะห์สงฆ์ต่อไปไม่ทรงทอดทิ้งแล้วก็ได้ถวายอภิวาท ทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาพระพุทธองค์แล้วอันตรธานไปในที่นั้นเป็นอันว่าพระพรมองค์นี้ได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดโลกหนหนึ่งเมื่อตอนต้นพุทธกาลแล้วครั้งนี้ยังได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงโปรดสงต่อไปอีกนับว่าโลกและสงเป็นนี่บุญคุณของสหบดีพรมอยู่เป็นอันมากอีกคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ประทับสเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ควงไม้อาชะปาลนิโครใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลอุรุเวลาได้เกิดพระดำริพระหฤทัยขึ้นว่าผู้ที่ไม่มีที่คารวะไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์แท้พระองค์จะพึงทรงอยู่สการะเคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพรามที่ไหนได้หนอทรงพระดำริเห็นในขณะนั้นว่า จะพึงทรงสการะคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็เพื่อความบริบูรณ์แห่งกองศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ไม่ทรงเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพรห ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ซึ่งพระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึ่งพาอาศัยได้จึงหน้าที่พระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละลำดับนั้นสหบดีพรมได้ทราบพระดํารินี้ได้มาปรากฏกระตทูลว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตก็ดีที่จะมีในอนาคตก็ดีพระองค์ปัจจุบันก็ดีล้วนสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมอยู่ด้วยกันทุกพระองค์ครั้นแล้วได้กล่าวทูลเป็นชันทกถ า, าว่าเยจะอตีตาสามพุทธาเป็นต้นมีความว่าพระพุทธที่ล่วงไปแล้วพระพุทธที่ยังไม่มาพระสัมพุทธะในบัดนี้ ผู้ทรงยังโศของคนเป็นอันมากให้สิ้นไปทุกพระองค์เคารพพระสัทธรรมอยู่ในการทั้งสามนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธทั้งหลายก็พึงเคารพพระสัทธรรมเถอะเรื่องนี้ตามเรื่องที่อ้างว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่กวงหมยนั้น ก็เป็นเรื่องที่เข้าลำดับพรรษาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด จ, จึงนำมาเล่าในหมวดเรื่องรวมของสามบดีพรมทรงเคารพธรรมพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยอาการอย่างไรมีแสดงไว้ในปัญจากานิบาตความว่าสีหกผู้เป็นราชาแห่งเนื้อออกจากที่อาศัยในเวลาเย็น บิดเยื้องปรับร่างกายแล้วมองตรวจดูทั้ง4ี่ทิศโดยรอบคำรามเสียงสีหาขึ้นสามครั้งออกหาอาหารถ้าจะตะครุบฆ่าช้างกระบือโคเสือตลอดถึงสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ายและแมกวาาก็ตามก็ฆ่าโดยเคารพคือด้วยความรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันหมดเพราะเหตุที่มีความคิดมุ่งหมายม่ให้เสียแรงจกครุบเปล่า คำว่าสีหะเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นการบรรลือสีหานาถถ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงพวกปุถุชนโดยที่สุดแม้เป็นคนพวกแบกหามพวกพรานป่าก็ทรงแสดงธรรมโดยกรบ คือด้วยพระกรุณาแก่บุคคลเหล่านั้นทุกจำพวกเหมือนกันหมดหาได้ทรงแสดงธรรมโดยไม่เคารพไม่เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงเคารพคารวะธรรมวิธีเคารพธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวไวน้นี้ให้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยวิธีที่ทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งปวงด้วยความเคารพคือทรงมีพระกรุณา เพื่อที่จะให้เขาได้รับประโยชน์เสมอเหมือนกันหมดมิใช่ว่าถ้าเป็นสาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงให้ดีถ้ามาใช้สาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมาณหรือถ้าเป็นพระราชาหรือเป็นเศรษฐีก็ทรงแสดงอย่างประณีตบรรจงถ้าเป็นคนยากจนขัดสนก็ทรงแสดงคล้ายกับว่าอย่างเสียไม่ได้พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติเช่นนี้เลย พระองค์มีพระกรุณาแผ่ไปในบุคคลทั้งปวงเสมอเหมือนกันหมดจะเป็นสาวกหรือไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ตามจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกวะนิภ ก, ก็ตามจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายพระองค์ก็ตามก็ทรงตั้งพระหรัตถัยแสดงธรรมโปรดเขาทุกคนอย่างละเอียดประณีต ท, ทุกครั้งทุกคราแต่ก็เป็นไปตามควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคน ปรากฏว่ามีคนวันณะต่ำคนยากจนขัดสนเป็นอันมากได้รับประโยชน์จากธรรมที่ทรงแสดงที่เข้ามาบวชปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่น้อยและที่ได้รับยกย่องจากพระองค์ให้เป็นเอตัคคะคือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลายท่านแสดงว่ามิใช่ทรงคารบธรรมเพียงแต่ที่ทรงแสดงธรรมโดยคารพดังกล่าวเท่านั้น แต่ทรงเคารพธรรมในทุกๆฐานเช่นทรงยกย่องบุคคลตามธรรมที่เขาปฏิบัติและบรรลุถึงมิใช่โดยชาติส ก, กุลทรัพย์ยศหรือเหตุประการอื่นจะเป็นคนชาติชั้นวรณะไหนจะมีจนอย่างไรถ้าทำชั่วก็ตรัสว่าเป็นคนชั่วถ้าทำดีก็ตรัสว่าเป็นคนดีและตรัสว่าจะต้องได้รับผลชั่วหรือดี ตามกรรมที่ตนได้ทําไว้เมื่อศาสนธรรมของพระองค์ว่าไว้ดังนี้พระองค์จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยละบาปหรือล้างบาปให้แก่ใครเมื่อผลกรรมจะถึงแก่ใครก็ต้องถึงไม่มีใครห้ามได้ถ้าจะทรงทําพิธีอย่างสะดวกเคราะห์ก็ผิดจากหลักธรรมที่ทรงวางไว้เองทั้งเป็นไปไม่ได้ตามเป็นจริงแต่ก็มีพระกรุณาโปรดในทางที่ชอบเช่น ทรงทําให้เขาเกิดศรัทธาภาษาท่ในพระรัตนตรยัยอบรมให้เขาเกิดดวงตาเห็นธรรมแม้เขาจะต้องสิ้นชีพเพราะกรรมของเขาตามมาทันก็หวังไปสุขติหรือทรงอบรมให้ละกรรมที่ชั่วเสียดังที่มีตรัสไว้ในธรรมบทความว่าบาป ก, กรรมที่ผู้ดใดทําไว้แล้วแต่ละเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมสองโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนอย่างดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้น ตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนชั่วคนผิดทุกคนเมื่อสำนึกผิดแล้วละความชั่วเสียก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าพ้นจากความมืดเข้าสู่ความสวาม่างทรงชี้ทางให้คนชั่วคนผิดทุกคนได้สำนึกผิดแล้วละความชั่วผิดด้วยตนเองข้อนี้แหละชื่อว่าทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงดาเนินนาทางเขาไปในเบื้องหน้าแต่ทาจะไหน บรรดาคนชั่วคนผิดทั้งหลายจึงจะมองเห็นพระคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปในเบื้องหน้าซึ่งได้เสด็จนำทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัดนี้แล้วย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องเคารพธรรมนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเรื่องอีกมากที่แสดงว่าทรงเคารพธรรมเช่นทรงบัญญัติเสขียวัตรให้ภิกษุแสดงธรรมแก่คนที่ตั้งอยู่ในอาการที่เคารพ และเมื่อจะเสด็จดับขันทปรินิพานก็ได้ทรงตั้งธรรมที่ทรงแสดงและวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นาศาสดาแทนพระองค์เพื่อไม่ให้เข้าใจว่าพระาศาสนาว่างาศาสตาเสียแล้วทั้งได้ทรงบอกทางที่จะเข้าถึงพระองค์ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นวิธีเคารพธรรมตามที่กล่าวเทียบด้วยสีห์จับสัตว์ คือทรงสแสดงธรรมโดยคารบทั่วไปทั้งหมดเป็นเนติปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงได้เช่นแพทย์ผู้ที่เชื่อว่าคารบในจันยาแพทยย่อมทำการเยียวยารักษาคนไข้ไม่เรียกว่ายากดีมีจนด้วยอาการที่ละเอียดประณีตด้วยจิตใจที่กรุณามุ่งจะให้หายโรคเหมือนกันหมดแต่ถ้าคนไข้เป็นคนดีมีทรัพย์จึงตั้งใจรักษา ถ้าคนไข้า ย, ยากจนก็ไม่ก็จะตั้งใจหรือรักษาอย่างเสียไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่เคารพในจัญญาแพทย์หรือในธรรมของแพทย์ข้าราชการหรือบุคคลทั้งปวงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติกรณีะเกี่ยวก่ประชาชนทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเมื่อตั้งใจช่วยปฏิบัติให้สม่ำเสมอก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมตามหน้าที่ของตนกล่าวให้กระชับเข้ามาอย่างสั้นที่สุดเคารพธรรมก็คือเคารพความดี หนักอยู่ในความดีเห็นความดีเป็นข้อสําคัญที่ควรทําทําให้เห็นค่าของความดีสูงกว่าความชั่วและสูงกว่าผลต่างๆเป็นต้นว่าแก้วแหวนเงินทองที่อาจจะได้จากความชั่วมู่ชนในสมัยที่ขาดความเคารพธรรมเมื่อมินธรรมคือความดีก็จะพากันนิยมทําความชั่วบูชาผลชั่วผู้ซึ่งประสบผลปัจจุบันจากการทําชั่ว นับว่าเป็นสมัยมืดแต่ในสมัยที่กลับเกิดความเคารพธรรมจึงจะพากันนิยมทําความดีบูชาคนที่ทําดีเป็นอันถึงสมัยสว่างพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมและทรงสอนให้คนเคารพธรรมก็เพื่อให้เคารพความดีเป็นใจความสําคัญสะหัมวดีพรมได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลรับรองยืนยันว่าพระพุทธทุกการสมัย ตางทรงเคารพธรรมและแนะนําโลกให้เคารพธรรมทั้งได้มาเฝ้าอีกหลายครั้งหลายคราวด้วยเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับโลกก็มีเกี่ยวกับธรรมก็มีแสดงว่าพระพรมองค์นี้ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยโลกอยู่มากมีภูมิธรรมสูงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งประวัติเก่าของพระพรมองค์นี้มีเล่าไว้ในอัตถกถาปาสราสิสูตรว่าในาศาสนาพระกสปะพุทธเจ้า มีพระเถระองคหนึ่งชื่อสหกะได้ปฐมฌานจึงไปบังเกิดเป็นพรหมมีอายุกับหนึ่งในพรหมชั้นปฐมฌานชื่อว่าสหากะสหกะนั้นกลายมาเป็นสหัมปติที่เรียกเป็นเสียงไทยว่าสหัมพดีอันหนึ่งในคำพี ช, ชื่อยาโนไทยแต่งเป็นภาษาบาลีในชั้นหลังได้กล่าวว่าในภรรษาที่หเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจาพรรษาอยู่ที่มกละบันพดนั้น ได้มีฉดินประมาณพันหนึ่งอาศัยที่ภูเขานั่นเหมือนกันในที่มีพื้นราบเป็นดินมากหัวหน้าผู้บอกมนแก่หมู่ฉดินชื่อว่าอินทกุลละได้พาพวกฉดินไปฝ้าพระองค์กราบทูลถามทางที่จะเกิดความสุขพระองค์ได้ตรัสตอบมีความตามที่จับได้จากคำพ์นั้นว่าหิริโอตปะให้เกิดความปฏิบัติชอบไดทิฏฐีให้เกิดสัมมาทิฏฐิในที่ใดมีสัตธรรม ในที่นั้นก็มีคนตั้งอยู่ในสัตธรรมในที่ใดมีทางแห่งสันติสุขในที่นั้นก็มีผู้เดินทางแห่งสันติสุขในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะไม่มีทุกข์ครอบนำในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกขังปวงคือนิพพานฉะนั้นคนมีปัญญามองเห็นสุขของตนจึงทาความเคารพสัตธรรมมีความเคารพ ตั้งใจฟังธรรมอินทกุละพร้อมด้วยพวกเจดินฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบวชพระพุทธมีพระภาคเจ้าโปรดให้อุปสมบทเป็นพิสุทธ์ด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมพทาเมื่อพิสุพวกปุราณเจดินที่มีท่านอินทกุละเป็ น, นหัวหน้าได้บำเพณความเพียรมรรลุถึงผลที่สุดแล้วพระองค์ได้ทรงส่งไปประกาศพระาศาสนาในที่ต่างๆ สวดยักษ์ในภรษาที่หกนี้ข้างต้นได้เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์และเทวดาในอาตานาตยสูตรซึ่งมีบทนมัสการพระอนิลตพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ทั้งปวงเรื่องอายุกับกันเรื่องโลกจักรวาลตลอดถึงเรื่องโลกวินาศเรื่องอบายซีซึ่งจัดเป็นอบายภูมิหรือทุกติเรื่องมนุษย์และสวรรค์หกชั้น อันเป็นสุกติรวม11ประเภทเป็นการมาวาจรภูมิหรือพบท่าอบายก็เป็นอกุศลวิบากตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเป็นฝ่ายกุศลวิบากต่อจากนี้เรื่องพรหมโลกอันแยกประเภทใหญ่ออกเป็นรูปาวจรภูมิหรือพบกับอรูปาวจรภูมิหรือพบทั้งหมดนี้โยงเป็นแถวมาจากเรื่องแรกคือเรื่องในอาตานาติยสูตรนั้นจึงจะกลับมาถึงพระสูตรนี้อีก ดูในอัตกราที่เขียนในลังกาและบันทึกเรื่องเก่าๆของไทยเราเองมีเขาว่าคนพากนกลัวยักษ์ว่าเป็นตัวนำโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีโรคระบาดเช่นไอวาตะโรคก็เพราะหมู่ยักษ์จะเป็นบริวารของท้ากูเวนพากันมาจาับมนุษย์คงจะมีลทัทธิความเชื่อเช่นนี้ประจำท้องถิ่นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาถึงเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็มีพระสูตรนี้ที่เล่าว่า ท้ากูเวนซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอประธานพระพุทธานุญาตให้พุทธบริษัทสวดบทวิปสิตซึ่งเป็นบทนมสการพระอดีตพุทธเจ้าตั้งแต่พระวิปัสสีจนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนารวมเจ็ดพระองค์เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์ที่ผ่านดุร้ายจึงมีเทศการนิมนต์พระสวดพระสูตรนี้ เพื่อป้องกันและกำจัดอันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจ ต, ต่างๆคือโรคต่างๆนั่นเองในทางราชการมีสวด ต, ตลอดรุ่งในพระราชพิธีสัมพัสจระขฉินจะสิ้นเดือนสีมียิงปืนอาตานาในขณะที่พระสวด ถ, ถึงตอนนั้นๆทานองสวดมีเสียงเอะอะดุ ด, ดันในบางตอนคล้ายจะขับไล่พวกนั้นนอกจากที่กรุงเทพทราบว่า ยังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พระราชพิธีนี้ได้เลิกมานานแล้วบัดนี้พระที่สวดพระสวดนี้ได้อันเรียกว่าสวด ย, ยักษ์ด้วยทํานองสรพันญักษมีเหลือน้อยเคยได้ยินท่านผู้ใหญ่เล่าว่าการยิงปืนอาตานานั้นเป็นการใช้ดินปืนเก่าให้หมดไปเมื่อมาถึงสมัยที่จะเลิกสวดพานยักษ์คือเลิกพระราชพิธีนั้น ถ้าคิดถึงว่าสิ้นสมัยใช้ดินปืนเหมือนอย่างโบราณซึ่งจะต้องรุกกันประจําปีจะเลิกยิงปืนอาตานาก็ได้และบัตรนี้ได้พบเชื้อโรคแทนยักษ์ยักษ์เป็นผู้นําโรคที่มองไม่เห็นตัวในสมัยโบราณบัตรนี้ได้มีกล้องส่องมองเห็นตัวโรคขึ้นแล้วแต่มองด้วยตาก็คงไม่เห็นเหมือนกันและได้พบวิธีป้องกันรักษาทําลายตัวเชื้อโรคได้มากโรคบางอย่างที่กลัวกันมากในอดีต มาถึงปัจจุบันกลายเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวความคิดของคนที่จะยิงปืนคู่หรือไล่ ย, ยับ ก, ก็เปลี่ยนไปข้อที่ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเปลี่ยนไปเป็นมุ่งที่จะยิงปืนคู่หรือไล่คนด้วยกันเองหนักขึ้นยับที่เคยเป็นตัวโรคทางกายกลับเข้าสิงใจมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามีใจเป็นยับเป็นมารหมายถึงกิเลสในใจคนที่มากขึ้น เรียกว่ากิเลสสมานจะเรียกว่ากิเลสยักบ้างก็คงไม่ผิดยักสิ่งใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไรก็โดยการปฏิบัติอบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นตามหลักพระโอวาทสามข้อว่าไม่ทําบาปทั้งหมดทํากุศลให้ถึงพร้อมจําระจิตให้ผองแผ้วนี้เป็นพระพุทธศาสนาโดยตรงยักใจชวนให้ทําบาปเมื่อไม่ตามใจก็ทําอะไรไม่ได้ ยักใจที่ห้ามทําบุญก็เหมือนกันไม่ตามใจก็หมดอํานาจยักใจที่กวนใจเองเมื่อจําระอยู่เนืองๆก็ต้องออกไปคนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณงมงายยิ่งปืนได้ยักที่ไหนเพราะอาจไม่ได้คิดว่าความรู้ของคนเปลี่ยนไปเสมอตามการศึกษายุคไหนขึ้นถึงขั้นไหนก็ย่อมจะรู้เห็นในขั้นนั้น แต่ถ้าไม่มีโบราณปัจจุบันก็มีไม่ได้ถ้าจะเปรียบเหมือนขึ้นภูเขาสูงขึ้นถึงระดับไหนก็ย่อมจะเห็นในระดับนั้นจะให้ถึงยอดทีเดียวโดยไม่ขึ้นไปตั้งแต่เชิงเขาหาได้ไม่เห็นว่ายากเป็นตัวโรคนับว่าใกล้ระดับปัจจุบันเข้ามาแล้วคือเห็นว่ามีตัวโรคที่มองไม่เห็นตัวตนในปัจจุบันสร้างเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้น ความเห็นว่ามีตัวเชื้อโรคจึงมีมานานแล้วและควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทางแพทย์ศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องยักในใจคือกิเลสและเครื่องกําจัดกิเลสจึงจะเป็นพุทธศาสตร์แม้เรื่องโลกก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณปนก็มามากตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเรื่องโลกที่เป็นพุทธศาสตร์โดยตรงนั้นมีเช่นที่แสดงไว้ในสลายาตนาวรคควาว่า เรียกว่าโลกโลกเพราะเป็นสิ่งํำรุปถ้าจะถามว่าอะไรเป็นโลกคือสิ่งที่ํำรุปก็ประมวลตอบได้ว่าอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายมณะอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเรื่องวิญญาณคือความรู้ทางอายตนะหก คือความรู้สึกได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกได้ทราบสัมผัสคือความประจวบการเข้าแห่งอายตนะภายในภายนอกกับวิญญาณ6เวทนาความรู้เสวยเป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะสัมผัสหเหล่านี้เป็นโลกทั้งหมดอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าโลกหรือมันยัดว่าโลกมีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกทั้ง6ในวิญญาณทั้ง6 ในธรรมที่พึงรู้ด้วยวิญญาณทั้ง6ทุกหรือบัญญัติว่าทุกม า, ห ร, ญญ า, า, มารหรือบัญญัติว่ามารสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้ฉะนั้นภาวะเป็นโลกเป็นทุกเป็นสัตว์เป็นมารจึงรวมกันอยู่ในตนเองของทุกทุกคนได้มีพระพุทธภาษิตในสังยุตว่าเราตถาคตบัญญัติโลกเหตุเกิดโลกความดับโลกทางปฏิบัต ให้ถึงความดับโลกในกะเลวระคือกายหรืออัตภาพยาวาหนึง่งมีสัญญามีมณันี่แหละพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแก่โลหิตตัสสะเทพผู้มาเฝ้ากราบทูลถามว่าในที่ใดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ยุติไม่อุ บ, บัติที่นั้นคือที่สุดแห่งโลก จะอาจเพื่อรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปหรือหาไม่ตรัสตอบว่าที่สุดแห่งโลกนั้นไม่ตรัสว่าจะพึงรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปเทพกราบทูลรับรองว่าเมื่อครั้งตนเป็นบรดีในครั้งก่อนมีฤทธ์เหาะเร็วมากสามารถเหาะข้ามจักรวาลโลกโลกหนึ่งสิ้นเวลาแวบเดียวเหมือนอย่างนายขมังธนูมือเยี่ยม ยิงลูกธนูผ่านเงาตาลตามขวางเหาะผ่านโลกโลกหนึ่งก็ขนาดเวลาลูกธนูวิ่งผ่านเงาตาลตามขวางต้นหนึ่งคือเร็วที่สุดหรือเหมือนอย่างย่างเท้าครั้งเดียวจากสมุดทิศตะวันออกถึงสมุดทิศตะวันตกคือระยะจากขอบปากจักรวาลตะวันออกถึงขอบปากจักรวาลตะวันตกในบัดนี้ก็เท่ากับระยะรอบโลกไปเร็วเท่ากับย่างเท้าย่างเดียวเกิดปรารถนาจะถึงที่สุดโลก จึงเหาะไปด้วยความเร็วขนาดนี้เว้นการบริโภคการถ่ายการหลับการพักผ่อนติดต่อกันไปถึงร้อยปีก็ไม่ถึงที่สุดโลกถึงมรณภาพเสียก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันเหมือนอย่างข้างต้นและตรัสว่าพระองค์ไม่ถึงที่สุดโลกแล้วก็จะไม่ตรัส ก, การทำที่สุดถูกที่สุดโลกตามคติพระพุทธศาสนา ได้เห็นตามเรื่องที่เล่ามานี้ว่าเรื่องการคิดเที่ยวไปในจักรวาลคือโลกต่างๆนั้นได้มีมาแต่ดึกดําบันแล้วและโลกต่างๆมีมากดังกล่าวว่าแสนโกดจักรวาลการจะท่องเที่ยวไปให้จบทั่วทั้งหมดแม้จะไปได้เร็วมากเหมือนฤาษีนั้นก็เหลือวิสัยตามเรื่องแสดงว่าฤาษีนั้นต้องการจะไปที่สุดโลก ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไปได้เร็วขนาดย่างเท้าละโลกละโลกตลอดเวลาตั้งร้อยปีก็ไม่สิ้นสุดจักรวาลชีวิตของฤาษีนั้นสิ้นสุดไปก่อนนี้เป็นการแสวงหาที่สุดโลกภายนอกซึ่งไม่อาจถึงได้ด้วยการไปที่สุดโลกภายนอกหรือจะเรียกเรียนในบัดนี้ว่าที่สุดอวกาศจะมีหรือไม่ ยังไม่พบที่แสดงไว้หรือจะเป็นวัตตะคือวนเวียนเป็นวงกลมก็ไม่อาจทราบพระพุทธเจ้าได้ตรัสนักรองว่าที่สุดโลกซึ่งเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่พึงถึงได้ด้วยการไปแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงที่สุดทุกตามที่ตรัสนี้พึงเห็นว่าที่สุดโลกของพระองค์ก็คือที่สุดทุก พูดถึงที่สุดทุกแล้วเช่นพระองค์ก็ต้องถึงที่สุดโลกแล้วฉะนั้นคําว่าที่สุดโลกตามที่ตรัส ก, ก็จะต้องมีในต่างจากที่ราศีนั้นเข้าใจและเที่ยวหาเพราะได้ตรัสไว้อีกว่าทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในกเลวระคือกายหรืออัตภาพนี่แหละโลกและที่สุดโลกจึงมีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่มีอยู่ในภายนอก ฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะเที่ยวดูโลกจนถึงที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงหยุดเที่ยวไปในโลกภายนอกได้ทั้งหมดกะเลวะของตนอยู่ที่ไหนก็ดูเข้ามาที่นั่นคือดูเข้ามาในกายของตนเองส่วนไหนเป็นโลกและเมื่อกล่าวรวมทั้งหมดโลกมีลักษณะอย่างไรก็ได้ตรัสชี้ไว้แล้วเมื่อจะอธิบายตามแนวอริยสัจก็อธิบายได้ว่า โลกคือทุกข์เหตุเกิดโลกคือเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจความดับโลกคือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาเสียทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นกล่าวสั้นเรื่องโลกก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเอง ซึ่งเป็นศัจธรรมเกี่ยวแก่ตนเองจะพึงรู้เห็นหรือถึงได้ที่ตนเองด้วยตนเองที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงถึงได้จริงและเมื่อถึงแล้วก็ปลนทุกได้จริงเพราะโลกก็คือทุกขสุดโลกก็คือสุดทุกทั้งหมดมีอยู่ในกเกเรวรานี้ซึ่งมีความยาวประมาณวานหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเที่ยวไปหาในที่อื่น พุทธศาสตร์ที่แท้จริงย่อมแสดงเรื่องโลกไว้เช่นนี้เรื่องโลกกธาตุทั้งปวงเรื่องนรกมนุษย์สวรรค์ที่ได้เล่ามาในตอนบรรษาที่หนี้ทั้งหมดก็รวมเข้าในคำว่าโลกตามพุทธธทิบายคำเดียวว่าลุจจติติโลกโกเรียกว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องจำรุปสลายรวมเข้าในทุกขกษัตริย์เมื่อเป็นโลก ก็ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะถึงที่สุดโลกจึงจะสิ้นทุกข์เป็นอันสมมติยุติปัญญาที่หจะได้เริ่มขึ้นปัญษาที่7ต่อไป